กราบบูชาพระรตนไตรัยกราบบูชาครูบ า, าจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนขอกาบคารวะหลงพ่อก ล, พกลมผู้เป็นประธานสงฆ์กบาบคารวะครูบ า, าจารย์พันเตพระเถระเพื่อนซาต ม, มิกสมเนินก่อเจริญพรแม่ชี อุบาสกอุบาศิกาทุกท่านนะก็นั่งตามสบายเนาะก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะของพวกเราที่มารวมกันทนำะวัดเช้าทำวัดเย็นนะการที่เราได้มีโอกาสนะมาไหว้พระสุธมน์นะก็เป็นการ จเจริญสติอย่างหนึง่งนะแล้วก็เป็นการเติมเต็มนะให้กับจิตใจนะเหมือนกับเป็นการให้อาหารนะอาหารทางใจนะถ้าเราสังเกตดูหลังจากเราวั <c oughs> ายพรสมุนเสร็จแล้วนะเราดูจิตใจของเรานะเราก็จะมีความชุ่มชื่นนะอิ่มอกอิ่มใจ นะจากการที่เราได้ไหว้พระสุดมนตะ์ได้น้อมระ ล, ลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์ได้พิจารณาธรรมะนะซึ่งเป็นอาหารของจิตใจนะซึ่งตรงนีเน้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้นะแล้วก็ช่วยเติมเต็มนะให้กับจิตใจของเรานะถ้าเราทำเป็นกิจวัตรประจำวัน นะก็จะทําให้เรารู้สึกอิ่ม อ, อกอิ่มใจอยู่เสมอใน <c oughs> อชีวิตรประจําวันของเรา <c oughs> ชีวิตของเราเนี่ยนะมันก็ประกอบไปด้วยทั้งกายและก็ใจในส่วนของร่างกายเมื่อเราหิวนะเราก็ต้องกินอาหารนะเมื่อกระหายเราก็ต้องดื่มน้ำนะนี่ก็เป็นการแก้ นะความยู่กระหายนะเป็นอาหารนะให้กับร่างกายของเรานะทำให้ร่างกายเราอิ่มนะแล้วก็ทำให้มีสุขภาพดีในส่วนของใจเนี่ยนะมันก็ต้องการอาหารเหมือนกันนะถ้าเราหลงลืมอาหารที่จะให้อาหารใจเนี่ยนะมันก็จะมีลักษณะหิวนะเรือหอยหา นะซึ่งมันก็แสดงออกมาในลักษณะของการไม่รู้สึก <c oughs> ไม่รู้สึกอิ่มนะมีความเหงามีความเปล่าปเปลี่ยวนะโหยหาหรือนะว่ายังรู้สึกไม่อิ่มไม่เต็มนะในส่วนของจิตใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกต ด, ดูในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะมันจะมีอาการเหล่านี้แสดงหรือปรากฏให้เราเห็น นะซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางทีเนะ่เราก็พยายามหาอาหารนะที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานะไม่ว่าจะเป็นการที่เราหาดูนะที่จะมาให้เห็นสิ่งที่เราพออกพอใจนะเนี่ยหรือว่าได้ยินเสียงนะที่ไปลอบลอบลิงเนะ่หรือว่า ด, ดมกลิ่นที่หอมนะหรือได้ลิ้มรส นะรสชาติต่างๆหนะรือแม้แต่การสัมผัสนะทางกายนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอาหารเหมือนกันนะภาษาบาลีก็เรีย ก, กว่าภัษะคืออาหารภาษาอาหารนะซึ่งเป็นอาหารที่ <c oughs> จะหล่อเลี้ยงนะให้ความรู้สึกนะของเรานั้นมั น, มนเต็มมันอิ่มนะซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะบางทีถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะพอนะบางทีเราก็ไปหลงนะไปหลงกับรูปที่สวยๆนะไปหลงกับเสียงที่ปอบๆนะและบางทีก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มนะต้องวิ่งหาอยู่เรื่อยไปนะบร้นอาหารอันนี้นะก็เป็นอาหารที่มาบำรุงบำเรอใ จ, จเหมือนกัน นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นในชีวิตประจำวันของเรานะนอกจากอาหารนะที่เป็นคาข้าวนะจะเป็นสัมผัสแล้วนะก็ยังมีอาหารอีกอันหนึง่งนะก็เรียกว่าเป็นความจงใจนะหรือความตั้งใจนะในการที่เราจะทาอะไรต่างๆนะที่เราเรียกว่าเป็นกุศลกรรมหรือว่าเป็นอกุศลกรรมนะเป็นสิ่งที่เราทำ อย่างที่เรามาทำไม้พระสดมนเนี่ยแลนะก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะในการที่เราจะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะช่วยหล่อเลี้ยงใจิตใจของเราให้มีความเต็มเต็มนะมีความอิ่มนะมีความสมบูรณ์มีความบริบูรณนะ์เราก็รู้สึกอิ่มใจนะที่เราได้ทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะแต่ก็มีเหมือนกันบางครั้งเราก็หลงนะหลงไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม นะโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะที่เราเป็นอุศ ล, ก, ศลกรรมนะเป็นสิ่งที่เราอาจจะหลงลืมและเราคิดว่ามันทาให้เราสะใจนะทำให้เราได้สิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่อาจจะขาดไปนะเพราะว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองเพราะนั้นการที่เราจะบริโภคอ่านอะไรนะ ที่เป็นคำข้าวก็ดีนะ่ะหรือเป็นความรู้สึกนึกคิดต่างต่างก็ดีนะถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะกำกับเนี่ยนะก็ทำให้เราไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะสังเกตได้นะสิ่งที่ที่เราเรียกมันว่าความยินดีนะความใคล้ความกำหนัดนะโดยเฉพาะที่เราเรียกว่ารุมรวมว่ากามนั่นเองกามเนี่ย มันกินไม่รู้จักอิ่มถ้าเราไม่รู้ทันมันถ้าเราไม่รู้จักสังวรมันนะไม่ว่าจะเป็นการมราคคดีนะกามฉันทะก็ดีนะนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ต้องใกล้ครวรแล้วก็ต้องระมัดระวังนะซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่ประมาณนะก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะเติมเต็มนะสิ่งที่ขาดได้ ยังเราจะสังเกต ด, ดูนะตัวเราเองก็ดีหรือคนอื่นๆก็ดีในโลกนี้นะที่เขาวิ่งวุ่นเหน็ดเหนื่อยกันเนี่ยส่วนใหญนะ่มันเป็นลักษณะของการอิวว่วโหยนะการที่เราวิ่งหาสิ่งที่มันไม่เต็มไม่อิ่มนะในใจซะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของกายนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเราหิวเรากินอิ่มก็พอล้ละ่ะนะแต่บางครั้งเนี่ยนะ มันยังไม่พอนะไม่พอก็คือใจมันไม่รู้จักพอนะมันไม่รู้จักอิ่มนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าถมไม่เต็มการที่เราไม่รู้จักพอในใจนั้นนะก็เพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันนะสิ่งที่เราเรียกมันว่าตัณหาก็ดีกิเลสก็ดนะีสิ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกพร่องอยู่ตลอดเวลานะทำให้จิตใจของเราไม่รู้สึกเพียงพอตลอดเวลา นะเราก็เลยต้องวิ่งวุ่นวิ่งหานะหาวัตถุบ้างหาบุคคลบ้างนะมาช่วยเสริมช่วยเติมช่วยทำให้มันเต็มนะซึ่งเราหวังว่าสิ่งข้างนอกนั้นจะมาทำให้เราเต็มนะเราอิ่มแต่มันก็คงจะช่วยได้เป็นช่วงครั้งช่วงคราวนะช่วขณะเท่านั้นเองนะเราไม่สามารถที่จะใจมันเติมเต็มได้ตลอดเวลานะอย่างเช่นการที่นม นะก็ต้องการสาวนะที่เป็นคู่ครองสาวก็ต้องการหนุ่มนะมาเป็นคู่ครองนะหรือบางคนนะก็อาศัยสิ่งของนะมาเติมเต็มในส่วนที่เราคิดว่ามันเป็นการเติมเต็มนะหรือบางทีก็หาสัตว์มาบ้างนะจะเป็นหมูเป็นแมวเป็นหมานะตรงนีนะ้เพราะเรารู้สึกมีความขาดนะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่อิ่มไม่เต็ม เมื่อมีสิ่งเหล่านี้เราก็รู้สึกว่าเออมันอิ่มมันเต็มแต่ถึงจุดหนึ่งนะมันก็เบื่อนะมันก็เลิกนะมันก็รู้สึกไม่อิ่มไม่เต็มอีกนะก็ต้องหาสิ่ง อ, อื่นอีกบุคคล อ, อืลออ่นอีกวัตถุอื่นอีกนะเพราะนั้นตรงเนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาใคาร้โครนดูแลสังเกตดูอยู่ตลอดเวลานะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ย นะเราก็จะไม่อิ่มไม่เต็มเศรษฐีหนึง่งนาะชีวิตของเราก็ขาดนาะชีวิตของเราก็พร่องนาะจริงๆชีวิตก็คือจิตใจนั่นเองนามันขาดมันพร่องมันไม่เต็มมันไม่อิ่มนาะก็ต้องวิ่งหาเรื่อยไปนาะซึ่งก็ต้องเหน็ดเหนื่อยแลนะไม่รู้ว่าเมื่อไหรนามันจะเพียงพอนาะซึ่งตรงนี้เนะี่ยก็ต้องอาศัยหลักธรรมที่เราเรียกว่าสันโดษนั่นเองนาะก็คือความารู้จักพอดี พอเหมาะในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้นะความสันโดษจะทำให้เรามีความพอเหมาะพอดีนะรู้จักความประมาณนะซึ่งส่วนนี้นนะก็มีนิทานเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะนี้ก็เป็นนิทานของอถ้าใครเคยได้ยินนะเรื่องนัสสุดินนะนัสสุดินนี่เป็นคนฉลาดนะเป็นคนมีปัญญามาก นะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อมุสตาฟามุสตาฟาเนี่ยเป็นคนโง่นะเป็นคนไม่ค่อยฉลาดนะก็มีอยู่วันหนึ่งนะมุสตา ฟ, ฟาก็มานัสเรดินบอกแย่ทั้งเลยนะเราอยู่ที่บ้านไม่มีความสุขเลยบ้านมันคับแคบกินก็อับนะทำยังไงให้มีความสุขได้นะนัสเรดินกะ็บอกว่าเอานี้สิเชื่อฉันมาล่ะนะต้องทำตามฉันนะ ฉันได้ทำอะไรแกต้องทําตามเนะอ่าเชื่อนะมูซาฟาก็เชื่อนะอาทํำยังไงอ่ ะ, ออะบอกหนะ้าเอานะ น, นี้นะคืนเนี้ยแกเอาแพะนะเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยนะอามูซาฟาก็เชื่อเอาแพะเข้าไปในบ้านนะเสร็จแล้วพอรุ่งเช้าขึ้นมามูซาฟานู้นไม่หลับนำมา หาณสุินบอกโอ้ไม่ไหวเลยมาคืนนอนอไม่หลับเลยแพะมันก็ร้องนะร้องตลอดเลยนอนไม่หลับเลยนัสินบอกเออไม่เป็นไรคืนนี้นะเอาลาเข้าไปตัวหนึ่งนะเชื่อฉันเลยนมีความสุขแน่เลยเอาเอาเข้าไปแล้วก็เอาลาเข้าไปกตัว น, นะว่ก่อเ ร, รนนาาุ่งเช้าเป็นยังไงมุตฟานาตาตาเหี่ยวแห้ง ไม่ได้หลับได้นอนตาก็แดงนะบอกโอ้โหว่าคืนแพะกับลามันทะเลาะกันมันกัดกันมันขี้มันเหมน็นอู้ไม่ไหวเลยนะโอ้ยไม่ไหวนะนะนะนะสปินบอกไงเอ่ะไม่เป็นไรคืนนี้คืนที่สามนะเอาหมาเข้าไปนะมีแพะมีลามีมา้าเอาเข้าไปเลยเอามาอยู่ด้วยกันนะคืนนั้นยิ่งนอนไม่หลับเลยนะไอ้สามตัวนะั้นมันร้องกันมันกัดกัน นะมุตาฟาก็ไม่มีความสุขนะออกมารุ่งเจ้ามามุสัมมา纳斯ลิน纳斯ลินบอกอ่านราการละสามวันนี้อ้าวคืนนี้นะเอาแพะออกมาก่อนนะพอเอาแพะออกมารุ่งเจ้าขึ้นมามุสาฟาบอเอ้ยก็ยังชั่วหน่อยนะเหลือสองตัวนะอ้าวคืนนี้เอาแพะเอาเอาลาออกนะ เอาลาออกมาโอ้สบายยิ่งสบายขึ้นอีกนะคืนสุดท้ายเอามาออกมานะโอ้ยยิ่งสบายเลยเมื่อร์ฟ้าบอกโอ้บ้านฉันกว้างโล่งเป็นเยอะเลยนะสบายขึ้นเลยนะนี่ก็เป็นนิทานนะก็เช่นว่าบางทีเนี่ย <c oughs> สิ่งที่เรามีอยู่งานะสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็พอเหมาะพอดีของเรา อยู่แล้วนะแต่เราก็พยายามวิ่งหานาะสิ่งอื่นๆมาเติมเต็มนะโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆนะสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็พอเพียงอยู่แล้วนะเรียกว่ามีความสันโดษนะคนที่ไม่รู้จักสันโดษก็คือคนที่ไม่รู้จักตัวเองนะไม่รู้จักประมาณนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกอิ่ม ทีไม่ในส่วนของจิตใจเนี่ยที่เป็นจิตใจที่อิ่มที่เต็มเนี่ยก็คือจิตใจที่เป็นปกติที่มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนี่แหละความสุขอันนี้เป็นความสุขที่มันอาจจะดูไม่ค่อยมีคุณค่าหรืออาจจะเราไม่ค็ยได้สังเกตความเป็นปกติของใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้เรามีความอิ่มความเต็ม เรามีความชุ่มชื่นใจอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าเราไม่คุ้นกับสภาพแบบนี้นะเราก็เลยต้องไปเวิ่งหาสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความสุขบ้างความพอใจบ้างนะตรงนี้เนี่ยเราเราไปหาสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกและเป็นสิ่งที่มันไม่จิังยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยหิวอยู่ตลอดเวลานะเราต้องแสวงหาอยู่ตลอดเวลา นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้่รหน็ดเหนื่อยที่นี้ใจที่เป็นปกติเนี่ย <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะ่าเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยนาะสติสัมปชัญญะหรือปัญญาที่ละเอียดนาะที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นมันนะซึ่งการที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะก็เพื่อที่จะเข้าไปเห็นสิ่งเหล่านี้นะ่แล้วก็ไม่ไปหลง กับความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้ น, นความสุขความทุกข์ก็ดีความพอใจไม่พอใจก็ดีเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้ น, นแล้วแต่เหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็จะเกิดขึ้ น, นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทัานเนี่ยเราก็จะไปหลงยึดถือ นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขนะเรียกความพอใจนะไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการได้กินได้สัมผัสได้ยินได้ฟังได้เห็นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไปหลงอยู่กับมันเนี่ยเราก็จะรู้สึกหิวตลอดเวลานะเราก็จะรู้สึกไม่อิ่มนะแต่ไม่ได้ก็ตามที่เรารู้เท่าทันนะสิ่งเหล่านี้นะเราก็จะกลับมาสู่ความเป็นปกตินะซึ่งเป็น ธรรมชาติหนาะที่มีอยู่แล้วในตัวเรานะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นความอิ่มความเต็มที่มีอยู่แล้วนะซึ่งถ้าเราเห็นได้ดูบ่อยๆเรื่อยๆให้มันคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนาะเราก็จะไม่ไปหลงนาะเพื่อเพลินหนาะกับความสุขนะหรือไปหลงที่จะปลักไสความทุกข์สุกหรือทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่แปลเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลา ในชีวิตประจําวันของเรานะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเอา่อจะเห็นได้นะเมื่อเราจเจริญสติเพราะฉะนั้นการจเจริญสติเนี่ยจะทําให้เรามีความอิ่มความเต็มนะหรือว่าอิ่มอกอิ่มใจนะอาตอมาจะพูดกินเลยไปนิดนึงว่าอันนี้มันเป็นอาหารทิพย์นะที่มันมีอยู่แล้วในตัวเรานะได้มีโอกาสไปอ่านพระไตรปิดกนะในหมวด ว่าด้วยอาคัเรเดสูตรนะการเกิดของโลกการเกิดของมนุษย์เนี่ยนะเขาบอกว่าอันนี้ตามกัมภีนะเอามาเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าในมีอยู่ยุคหนึ่งนะโลกเนี่ยได้เกิดการระวิบัตินะก็หมายถึงว่าคนเนี่ยตายไปหมดเลยนะแล้วก็ไปเกิดเป็นอภัสราภุมนะก็คือไปอยู่สวรรค์นะแล้วก็ <c oughs> ตอนหลังเนี่ย แ้วนะก็มาจุติเป็นมนุษย์ในโลกซึ่งในยุคแรกเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนะี่ยไม่ต้องกินอาหารเลยนะมันสามารถอยู่ได้ด้วยปิตินาะเรียกว่ามีปิติเป็นพักษาอาหารก็คือไม่ต้องกินอาหารเลยนาะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นาะต่อมาเนี่ยมนุษย์เราไม่รู้นาเราหลงนาะไปพบอาหารชนิดหนึ่งก็เรียกว่าง้วนดินนะ มีกลิ่นมีสีมีรสที่น่นากินมนุษย์ก็เลยไปกิ น, นไปกิ น, นง่วนดินนั่นแหละทำให้แสงสว่างที่มีอยู่ในตัวเนี่ยหายไปแล้วก็ปิติที่เคยได้กินนั่นนะ่ะก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้พูดง่ายก็คื อ, อความรู้สึกหรือว่าร่างกายและจิตใจก็หยาบกระด้างขึ้ น, นต้องกินม่วนดิน พอกินมุ่นดินไปมากๆเนี่ย <c oughs> จิตใจก็หยาบกระด้างนะแล้วก็มีการเหยียดหยามกันดูหมินกันนะว่าคนนั้นหรือพันณลเอียดกว่าคนนี้หยาบกว่านะพูดง่ายๆก็คือโดนครอบงำนะด้วยจิตใจที่ไม่รู้เท่าทันนะจิตใจที่หยาบกระด้างนะประกอบมุ่นดินก็หายไปนะก็เกิดเป็นอาหชนิดใหม่ขึ้นมา นะเป็นสะเก็ดดินนะมีสีมีกลิ่นหอมนะคนก็รับกินกินอันนี้อีกนะเรียกว่าไม่มีปฏิเป็นพักษาหานะนะพอ ก, กินไปนะกายก็หยาบลงไปอกีกใจก็หยาบลงไปอกีกนะดูถูกดูแครนกันอกีกนะปรากว่าสะเก็ดดินก็หายไปนะกายเป็นเถาไม้นะเถาไม้ขึ้นมานะมีกลิ่นหอมนะรสชาติอร่อยนะก็ไปกินเถาไม้ นะกินไปกายก็หยาบกระด้างขึ้นมาอกีกจิตใจก็หยาบกระด้างขึ้นมาอกีกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในะสุดท้ายเถาไมาัลย์ก็หายไปก็มีเป็นข้าวขึ้นมานะเป็นข้าวข้าไม่มีเปลือกข้าวนี้ก็มีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยนะข้าวนี้ก็บอกว่าเก็บเย็นเนี่ยเดี๋ยวเช้ามันก็ขึ้นมาอีกนะเรียกว่าไม่ต้องปลูกนะตอนหลังคนก็กินไปกินข้าวไปตอนกินข้าวนี่แหละ นะมันเกิดเพศขึ้นมานะมีเพศชายเพศหญิงขึ้นมาแล้วก็มีการเสพเมถุนกันนะตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เอ่อเข้าไปสู่สิ่งที่เป็นคนนะแล้วก็ต่อนเนื่องมานะจนถึงปัจจุบันนะตอนหลังก็มีการสะสมมีความรู้ความอะไรต่างๆ่านะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เล่าไว้ในคมภีนั่นนี่ก็คือเป็นการพูดได้เห็นว่า คนเราเนี่ยนะมันก็จะต้องอาศัยอาหารทั้งที่เป็นส่วนหยาบนะแล้วก็มีอาหารที่เป็นส่วนละเอียดณนะตอนหลังก็มีกลุ่มบางคนบางหมู่เนี่ยนะก็รู้สึกอึมละอากับการอยู่ในสังคมในชุมชนนะก็ออกไปนะทำจิตตภาวนานะแล้วก็กลับไปสัมผสัสกับอาหารที่เป็นของละเอียดแลนะก็คือปิติอีกนะซึ่งตรงนี้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจ นอกจากอาหารกายแล้วก็มีอาหารใจด้วยเพราะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ยก็ถือว่าเราได้มาเติมเต็มให้กับจิตใจของเราที่ให้มีความรู้สึกอิ่มอิ่มอุกอิ่มใจซึ่งก็ได้จากการเจริญสติได้จากการทำจิตภาวนาและการทำกรรมฐานนี้เองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะ่ยก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญ นะซึ่งเราไม่ขวดละเลยนะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าอาหารของมนุษย์หรืของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารทางร่างกายทั้งนั้นนะแต่ว่าอาหารทางจิตใจเนี่ยนะเราก็จะต้องอมัน่นะเติมเต็มให้ได้ตลอดเวลานะให้ได้บ่อยๆนะก็คือการที่เรามีกลับมาสู่ความเป็นปกติของใจให้ได้บ่อยๆ นะตัวที่มันจะทำให้เราไม่อิ่มไม่เต็มก็คือความหลงนั่นแหละนะความไม่รู้เท่าทันนะแล้วก็ไปวิ่งหานะวัตถุข้างนอกบุคคลข้างนอกนะเรื่องสังคมข้างนอกนะที่จะมาช่วยเติมเต็มนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาให้เราพลาดนาะพลาดที่จะได้ <c oughs> สัมผัส <c oughs> กับอาหารนะที่เป็น ความรู้สึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานั่นเองพระนันตรงนี้ <c oughs> เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจ ะ, ะชวนชวนพวกเรานะที่เราอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยบรรยากาศที่สงบนะที่ร่มรื่นเนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอาหารของใจนะทำให้เรามีความอิ่มอกอิ่มใจมีความสงบใจมีความเตินรู้นะ อาหารที่สำคัญนันสุดท้ายเ็าเรียกว่าเบญญาอาหารนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เรามารู้สึกตัวตื่นตัวนี้เองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอาหารที่ละเอียดอ่อนนะเป็นอาหารที่ต้องอาศัยนะความรู้สึกตัวที่ละเอียดอ่อนที่เกิดจากการฝึกฝึกแล้วฝึกอีกเห็นแล้วเห็นอีกนะตรงเนี้ยนะ่าจะทำให้เราสัมผัสตรงนี้เพราะนั้นเราจะสังเกตได้เลยว่าเราอยู่ที่วัดเนี่ย เรากินอาหารเพียงแค่หนึ่งหรือสองเวลาเราก็ไม่รู้สึกหิวใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยสามมือ้อสี่มือ้อนะหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเกินเนี่ยมันไม่ได้เป็นความหิวของกายหลักแต่มันเป็นความหิวของใจมากกว่าการที่เรามาอยู่วัดเนี่ยเพียงแค่มือ้อหรือ2มื้อเราอิ่มนะส่วนที่มันอิ่มเนี่ยเพราะใจมันอิ่มด้วยนะเคยได้ยินเหมือนกันนะพระกรรมาฐานบางรูปเนี่ย นะท่านไม่ได้ฉันอาหารเจวันก็มีส5้าวันก็มนะีเรียกว่าท่านเข้ากรรมาฐานนะท่านอยู่ได้อย่างไรนะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการที่ท่านได้อาศัยนะปิติหล่อเลี้ยงความเป็นปกติใจนั้นหล่อเลี้ยงนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะสังเกตได้ง่ายแต่บางครั้งเนี่ยนะอันนี้เป็นประส บ, บการณ์ของตัวธรมเอง นะเมื่อสมัยเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะเคยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะไหว้พระสดม น, นี่แล้วมันรู้สึกซาบซึ้งนะมันอิ่มอกอิ่มใจมันน้ำตาไหลนะเป็นปฏิขึ้นมามันนันรู้สึกอิ่มทั้งวันเลยนะไม่ได้กินข้าวเลยก็ยังรู้สึกอิ่มนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เข้าใจว่าบางคนหรือบางท่านก็คงเคยมีประสบการณ์นะเพราะนั้นอาหารทางใจเนี่ยมันมีอยู่นะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะ สัมผัสกับมันได้นะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขนะเป็นสุขกเกษมสารนะเป็นสุขที่เรารู้เท่ารู้ทันนะไม่สุขที่ไปจมอยู่เรารู้อยู่แต่สิ่งเหล่านี้เนะี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปวิ่งหามันนหะรือ ว, ว่าไกวคว้าหามันแต่ถ้าเราปฏิบัติได้ถูกนะแล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นความจริงนะไม่หลงไปใน ความสุขความทุกขนะ์หรือในกิเลสตัณหาต่างๆเนี่ยนะเราก็จะเป็นปกติสุขนะซึ่งตรงเนี้เป็นอาหารทินะ่ที่มีอยู่ในตัวเรานะแล้วก็เป็นแสงสว่างที่ส่องอยูนะ่ซึ่งก็ทำให้น้อนไม่ไปถึงนะในคำพีนั้นที่บอกว่ามนุษย์เราแต่ก่อนนั้นมีแสงสว่างอยู่ในตัวนะแต่ว่าเราหลงลืมไปนะเราไม่ได้มาดูนะแสงสว่างเนี่ย งานะทำให้เรามีความอิ่มความเต็มความสมบูรณ์อยู่ในตัวนะโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหางานะวัตถุภายนอกให้มากนักงานะแต่ก็ไม่ได้หมายก็ว่าเราจะไม่กินอะไรนะในส่วนของร่างกายเราก็ต้องกินงานะเราก็ต้องบริโภคแต่ว่าเราก็บริโภคในขนาดพอเหมาะพอดีงานะไม่เกินไปนะเรียกว่ามีความสันโดษมีความพอเหมาะพอดีในการกินกันอยูนะ่แต่ว่า พระทูนก็พูดไว้ชัดอีกอันหนึ่งว่าอย่าพึงสันโดษในกุศลลธรรมซึ่งตรงนี้มืนก็น่าคิดเหมือนกันนะสันโดษในการกินการอยู่แต่ไม่สันโดษในกุศลธรรมก็หมายถึงว่าพยายามเรื่อยไปนะในการที่เราเจริญสติในการที่เราทํากรรมฐานนะถ้ายังไม่ถึงที่สุดงานยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยเราก็ทําเรื่อยไป เราอย่าไปยินดีเพียงก็ว่าว่าเออนะเราสำัะความสุขเรามีความสงบเรามีปิตินะพอแล้วนะแค่นี้พอแล้วนะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการที่เราประหยุดไปยัง้งนะไม่ถึงที่สุดทุกเนี่ยมันก็ทําให้เราประมาทนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นนะมีชีวิตชีวาขึ้นมานะมีความอิ่ม อ, อกอิ่มใจขึ้นมา นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้สังเกตสิ่งเหล่านีนะ้เต็มเต็มให้กับจิตใจของเรานอกจากจะให้าอาหารกายแล้วก็อย่าลืมให้อาหารใจด้วยอาหารกายเราให้วันละมื้อสองมือ้อแต่อ่านใจเนี่ยมันต้องให้ทุกเวลานาทีเหมือนกันนะัก็คือความเป็นปกติของเรานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทําไดนะ้ด้วยการเจริญสติอยู่ทุกเมื่อ นะไม่ว่าจะเป็นการําในรูปแบบก็ดีการดานอกรูปแบบก็ดีนะพยายามฉวยโอกาสนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเติมเต็มให้อาหารแก่ใจของตัวเราเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะซึ่งตรงนี้ก็จะทาให้ชีวิตของเราทั้งในส่วนกายและส่วนใจนะมีความอิ่มมีความเต็มมีความบริบูรณ์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอใน อเช้าวันนี้นะอาในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรนะก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็ความรู้เท่าทันนะในกิเลสันหาทั้งปวงนะจงเป็นพระวปัใจจัยให้ทุกท่านนะได้สัมผัสกับความอิ่มความเต็มนะทั้งในส่วนกายและส่วนใจในชีวิตประจำวันทุกเวลานาที โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร